ช่วงออกรรษาหลวงพ่อเหนื่อยวัาในพรรษานะก็ออกพรรษาแล้วพระเยอะค้างม า, มากเมื่อวานนะแน่นเลยสองวัดสมวัดเดียวมาสิบองค์แต่ท่านก็อดทนนะสั่งสั่งจนกันทั่งตื่นขึ้นมาได้เจ็ดแปดองค์ แล้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาพระองค์เป็นมหานะไม่ไม่ถือว่าความรู้เยอะให้ฟังธรรมะในภาคปฏิบัติดูฟังพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่ามันง่ายนิดเดียวหลงไปทำจะยากเลยจริ ง, รงๆง่ายเราไปทำให้มันยากเองไม่จะยากอะไรถูกพระดาแล้วโกรธรู้ว่โกรธนะถ้าจะให้ยากก็ต้องไม่โกรธ ทำยังไงจะไม่โกรธนี่ยากนะหรือโกรธแล้วทํายังไงจะดับนี่ยากถูกเขาดาโกรธแล้วรู้ว่าโกรธมันเห็นยากอะไรเใครก็ทําได้พิ่งแต่เรานึกไม่ถึงว่าการปฏิบัติมันจะง่ายขนาดนั้นท่านมหานั้นท่านพูดบอกเมื่อก่อนท่านไปสร้างอะไรขึ้นมาซะแข็งไปหมดเลยนึกไม่ถึงว่ามันจะธรรมดาอา้อาวธรรมะก็ธรรมดานั่นแหละ ธรรมะไม่ธรรมดาแล้วมันจะเป็นธรรมะได้ยังไงธรรมะกับธรรมดามันก็คําเดียวกันนั่นแหละเราเรียนธรรมดาของกายธรรมดาของใจนะจนเห็นนะว่าเรื่องธรรมดาอย่างร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรื่องธรรมดาหรือจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้าเรื่องธรรมดาเดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านธรรมดายอมรับว่ามเป็นธรรมดาใช่ก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางไม่ดิน มีวิธีฝึกกรรมฐานง่ายๆอย่างหนึง่งอันนี้อยากฝากยากโยมลองไปดูแต่ทั้งพระก็ได้นะแต่พระยังไม่มาคือเวลาแต่ละคนเนี่ยจะแอบสร้างภพขึ้นมาสร้างภพคือสร้างสภาวะอะไรขึ้นมาบางอย่างแต่ละคนจะสร้างทุกค น, นะนเวลาเราเจอคนนี้เราก็ต้องหวังมากเนีน่ยนะเจอคนนี้เนีน่ยนะ มันจะสร้างขึ้นมาตลอดเวลาหรือเวลาบางคนจะคุยกับหลวงพอ่อต้องทำเสียงหลอหลอหนลยนะต้องให้มันไม่ธรรมดานะต้องไม่ธรรมดาเนี่ยเสยแสร้งสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ดูดีลองสังเกตตัวเองหนึบกะเทาะเปลือกตัวเองอกจนเห็นเลยตัวจริงของเรายัางไงนะเราชอบสร้างภาพหลอกหลอกขึ้นมา อ่เราเจอคนเจออะไรแต่และวันแต่และวันไม่จะสร้างมากขึ้นเลเจอลูกค้าเราก็ต้องทำฟอร์มอย่างนี้ใช่ไหมเจอเจ้านายเราก็ต้องทำท่านี้เจอสาวเราต้องทำอย่างนี้ต้องวางฟอร์มฟอร์มที่สร้างขึ้นจริงๆคือสภาวะนึงคือพบอันหนึง่งพบอันหนึง่งบางทีก็เป็นพบของพ่อใช่ไหมหวางฟอร์มเป็นพ่อบางทีก็วางฟอร์มเป็นแม่ วังฟอมเป็นนางเอกมีนะผู้หญิงชอบวับงฟอมเป็นนางเอกทำเศร้าๆมีหยาดน้ำตาและหยดเลือดเยิมเยมในใจชอบนักเชียหาเรื่องลงนะรกแท้ๆเลยนั่นน่ะสะใจเจ็บๆพันคันแสบๆชอบชอบเขาไปได้ไงทำให้จิตคุ้นเคยกับอาขุสนเนี่ยแต่ละกค ว, วรจะวังฟอมนะงั้นให้เรารู้ทัน อย่างบางคนหลวงพ่อเคยชี้ไม่รู้วันนี้มาไหมครับภ า, าวนาเก่งนะแต่พอเริ่มกับหงพูดกับหลวงพ่อเขาจะต้องทำเสียงหลอ่นะอผมมีเรื่องกลับเรียนหลวงพ่อเนียนะทำเสียงหลออนะพอหลวงพ่อชี้ให้ดูนี่เสแสรนะ้งแล้วเห็นเห็นว่าเนี่ยปรุงสร้างพบขึ้นมาหนึ่งสร้างพบของนักปฏิบัติที่ดี ทำดูเรื่มใส่ศรัทธา ก, กับครูบาอาจารย์มากพอเห็นตรงนี้ปั๊บหลุดออกมาเลยงั้นพบทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารู้ทันเราจะหลุดออกมาแล้วไม่มีอะไรว่างๆไม่มีอะไรแต่ถ้ารู้ไม่ทันก็สร้างภาพขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้สองวันนี้หลวงพ่อคุยกับพวกที่มาอยู่วัดบอกเคยเห็นหมูกระดาษไหมหมูกระดาษ ใครเคยเห็นไหมหมูกระดาษตัวแดงๆต้องคนโบราณหน่อยนะถึงจะเห็นถ้าไครใครอย่างเงี้ยแสดงว่าร่วมสมัยถ้าเดี๋ยวนี้หมูพลาสติกแต่หมูพลาสติกเอามายกเคสนี้ไม่ได้หมูกระดาษเนี่ยมันทําด้วยกระดาษค่อยๆปะนะทีละแผ่นทีละแผ่นเนี่ยค่อยๆปะปะปะเพื่อมนมีแม่พิมพ์สองด้านปะทีละด้านเสร็จแล้วก็มาเย็บตรงกลางทา ก, กาวอะไรเงี้ยทาสี สีที่โปรดคือสีแดงหมูพวกนี้ต้องสีแดงนะหางก็อะไรทาเป็นผู้คู่หน่อยนะเขียนตาเขียนหูอะไรนี่เขียนแต่ละคนเนี่ยเหมือนหมูกระดาษนะพวกเราแต่ละคนเป็นหมูกระดาษคนละตัวแต่บางตัวเป็นหมากระดาษเรวเราปั้นขึ้นมาถ้าเรารู้ตัวจริงเนี่ยมันไม่ได้มีจริงเราค่อยๆลอกเปลือกมันออก ลอกสิ่งที่เราปรุงแต่งออกไปนะให้ลอกออกไปชั้นชั้นชั้นลอกออกไปเรื่อยเรยถึงจุดหนึ่งจะเข้าไปถึงตัวจริงของมันตัวจริงของมันไม่มีอะไรเลยมันมาจากความว่างเปล่าแล้วก็สร้างขึ้นมาจนเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลอกเปลือกตัวเองไปเรืยลอกความปรุงแต่งไปเรื่อยจนถึงสุดท้ายลอกชั้นในออกไปสุดภายในมันก็เป็นความว่างๆใช่ไหมอาจจะขังอางการอยู่อะไรอย่างนี้ย พอเปลือกกระดาษรูดออกไปแล้วอากาศนั้นกระจายรวมเข้ากับอากาศข้างนอกนั่นเองงั้นการภอวนานี้เหมือนกันนะถ้าจิตเนี่ยพ้นจากความห่อหุ้มแนละ้วจิตไม่มีเปลือกห่อพุ่มไม่ได้สร้างพบใดๆมาห่อพุ่มเหมื น, ม, นมันจะกลืนเข้ากับ อ, อากาศข้างนอกเนะจะกลืนเข้ากับโลกงั้นในเราภาวนาจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ย จ, จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยจะกลมกลืนเข้าไปอันเดียวกันหลวงปูนะ่ดูลยเคยสอนหลวงพอ บอกว่าถ้าวันใดที่เธอเห็นว่าจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะเธอจะแจมแจ้งหับรันนั้นเลยเราฟังแล้วก็นึกว่าเป็นวิธีปฏิบัตินะแต่ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงเราก็ดูจิตของเราไปได้ดูไปจนกระทั่งวันหนึ่งพอเราไม่ยึดถือจิตสัอย่างเดียวนการสลัดคืนจิตะจิตกับโลกในกลืนเข้าด้วยกันเป็นอันเดียวกันคนไหนเป็นนักดูจิตคนอื่นไม่ใช่นักดูจิตตัวเองนะ นักดูจิตคนอื่นที่ชํานาญเนี่ยพอไปเจอท่านที่ภาวนาที่ปล่อยวางจิตแล้วเนจะพบว่าจิตของท่านเหล่าเนี้ยกลมกลืนเท่ากับโลกกลมกลืนเป็นอันเดียวกับโลกแต่ น, นี้เขาไม่สามารถเห็นจิตที่พ้นโลกได้ก็ เ, เห็นแต่จิตที่กลมกลืนเท่ากับโลกเหมือนอากาศในหมูกระดาษเนี่ยที่รวมเข้าอากาศกับโลกข้างนอกเป็นอันเดียวกันได้นี่อันนี้เล่าให้ฟังเล่นๆนะเพื่อยั่วน้ําลายนะ วันหนึ่งถ้าภาคเพียนไปดูกายดูใจของเราไปเราปอกเปลือกของตัวเองออกไปจนร่อนจ้อนไม่มีอะไรเหลือเลยนะเราจะพบตัวจริงของเราซึ่งไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราภาวนาไปแล้วเราจะไม่ได้อะไรมาแล้วเราจะไม่ได้เสียอะไรไปเพราะเราไม่มีอะไรอยู่ตั้งแต่แรกแล้วจะไม่มีอะไรเลยแต่จิตจากถัดจากนั้นจะเป็นยังไงจิตที่ปล่อยวางจิตไปแล้วเนี่ยจะมีแต่ความสุขล้วน ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเกิด อ, อะไรขึ้นนี่นจิตจะไม่มีกับเพื่อมไห่เลยกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติอยู่ดันะัจิตกับธรรมะก็เป็นอันเดียวกันหลอมรวมเข้าด้วยกันนะจิตที่หลอมรวมเข้ากับธรรมแล้วจิตกับธรรมะก็เป็นอันเดียวกันจิตอันนั้นเรียกว่าพระสงฆ์จิตอันนั้นเป็นพระพุท ธ, ธพระพระทุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกัน เป็นเรื่องที่แปลกนะเวลาเราภาวนาเบื้องต้นเราก็รู้สึกพระพุทธก็อันหนึ่งพระธรรมก็อันหนึ่งพระสงฆ์ก็อันหนึ่งแต่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอันเดียวกันโดยเนื้อแท้แล้วเป็นอันเดียวกันเป็นความไม่มีอะไรนี่เองเป็นธรรมะนั่นเองธรรมะแต่ไม่ใช่แบบว่างเปล่าสับูนย์ถ้าสับูนย์เป็นมิจฉาทิฐิมีแต่ความสุขล้วนๆเลยเวลาที่เรากระทบเราสัมผัสเราะระลึก ถ, ถึงเพราะงั้นถ้าเราฝึก จนถึงจุดที่ว่าเราปล่อยวางจิตได้แล้วเวลาที่เรามานาสิการถึงนิพพานเนี้ยนิพพานกับจิตก็สัมผัสกันอยู่ตรงนั้นเลยนิพพานไม่ใช่ว่าต้องเข้าสมาธิก่อนแล้วส่งจิตไปดูไม่ใช่แล้วค่อยฝึกนะเราจะมีความสุขอันมหาศาล ร, รออยู่ข้างหน้าหันเบื้องต้นก็มีความสุขเล็กน้อยไปก่อนคนไม่เคยมีสติพอมีสติขึ้นมาก็มีความสุข มันไม่มีศีลพอมีศีลขึ้นมาก็มีความสุขคนไม่เคยมีสัมมาสมาธิพอจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นไม่หลงไม่เผลอตามอารมณ์สักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่มีความสุขจิตที่มีวิมุตต์มีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขมีวิมุตต์ขึ้นมาก็มีความสุขดังนเราภาวนาไปเราจะมีความสุขเป็นลำดับลําดับไปเบื้องต้นมีความสุขจากการรู้สึกตัวความฮักตัวนี้ให้ได้ก่อน อย่างพอเรามีความสุขที่ได้รู้สึกตัวเราจะรู้สึกตัวบ่อยเราชอบแล้วเราชอบรู้สึกตัวเราชักไม่ชอบเผลอแล้วแต่เดิมคิดว่าเผลอเผลอเพลนเพลินมีความสุขรู้สึกตัวไม่มีความสุขพอรู้สึกตัวเราเห็นแต่ทุกข์เห็นกายเป็นทุกข์เห็นใจเป็นทุกข์แต่พอเรารู้สึกตัวเป็นรู้สึกไปได้แเราก็ว่าทันทีที่รู้สึกตัวมีความสุขขึ้นมามีความสุขโวยแผ่วๆขึ้นมามีสุขอยู่ในตัวเองเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป เมื่อไราใจหลงเข้าไปแทรกแซงวันนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อไราใจไม่แทรกแซงสักว่ารู้สักว่าเห็นก็มีความสุขตรงนี้เป็นความสุขของกายใจที่ตั้งมั่นใจที่มีปัญญาแต่ยังไม่ใช่ความสุขถึงที่สุดนะความสุขของศาสน า, าพุทธนั้นเป็นลึกซึ้งเป็นชั้นชั้นชั้นไปคนในโลกนะใจมันครุกอยู่กับอารมณ์ยังมีความอยากขึ้นมาแล้วก็ได้รับการตอบสนองสมอยากแล้วมีความสุข ไม่สมอยากถึงจะทุกข์เคนทั่วๆไปเห็นได้แค่นี้ตื้นที่สุดเลยหมาแมวเหมือนกันนะแมวจะไปจับนกเนี่ยจับได้แล้วมีความสุขจับไม่ได้แล้วทุกข์ถ้าสมอยากแล้วมีความสุขถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์แต่พวกเราผู้ภาวนาเราจะเห็นเลยถ้ามีความอยากก็จะมีความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้ถ้าถึงจุดสุดท้ายเราจะรู้เลยจะมีความอยากเลยจะไม่มีความอยากนะขันห้านี้แหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่า รู้อริยสัจแจ่มแจ้งแล้วรู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองความอยากที่จะให้ขันห้าเป็นสุขจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเราว่ารู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์ทำยังไงมันก็ทุกข์อย่างเรารู้ว่าไฟเนี่ยเป็นของร้อนเราก็ไม่ต้องไปอยากให้มันเย็นแล้วยังไงมันก็ร้อนเราไม่โง่พอที่จะไปอยากไฟวันนี้จะเย็นนี้ยังจราจยังไม่โง่ขนาดนั้นนะคือจิตที่มันรู้ว่าขันเป็นของร้อนแล้วมันจะไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาอีกแล้ว ไม่ไปหยิบเ่วยจิตไม่ไปหยิบเ่วยขันตอนหลวงพ่อพานภาวนาพรรษาแรกนะนั่งดูดูอยู่วันนึงหลุดปุ๊บออกไปอ่ปล่อยวางจิตได้แล้วะเสร็จแล้วเอ๊ะละหันอะไรความรู้น้อยไปหยิบมาหยิบนะออกพรรษาแล้วไปกราบหลวงปู่สุวัตไปเล่าให้ท่านตอนนั้นท่านอาพาธมากใส่รถเข็นออกมาท่านก็ถูกยาเข้าไป หมอก็ให้ยาดบท่านไม่เยอ ะ, ะท่านก็จะเบลอเบออยูเขียนนอกมานะดูสิทรมานครูบาอาจารย์แล้วก็เข้าไปกราบท่านหลวงปู่ผมดูจิตผู้รู้อยู่หลวงปู่กระดรนี้นะเสร็จแล้วผมก็วางจิตผู้รู้นะอัานี้นะตาโตเลยนะอเอร์ทันทีเลยแล้วผมก็ไปหยิบมันมาอีก แหมเราเห็นท่านตั้งแต่อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้กลับไปที่เดิมนะในคำที่ถึงสอนเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นพระอราหันต์เนี่ยท่านจะวางขันลงไปแล้วไม่หยิบเวยขันขึ้นมาอีกเพราะขันนี่แหละเป็นตัวทุกขนะ์วันนั้นท่านก็อบรมใจโอ้ยอย่าไปเอาอะไรอีกมันมีแค่นั้นแหละนะมีแค่นั้นแหละรู้แล้วก็วางทิ้งมันไปเลยท่านปูนง่ายสิท่านทิ้งแล้ว ตอนนั้นเราทิ้งได้ที่ไหนเราก็ไปหยิบมาหญิงในใจมันลึกๆมันรู้สึกว่าไม่พอเวลาเราภาวนาไปนะเราปล่อยวางไม่ได้เพราะใจมันไม่พอถามว่ามันขาดอะไรเราไม่รู้นะว่าขาดอะไรเราภาวนามาอีกนานเลยนะค่อยรู้ว่ามันขาดอริยสัจนั่นเองเพราะมันเข้าใจอริยสัจมันถึงจะพอได้ใ น, นอริยสัจนี่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดเลยอริยสัจก็คือการที่มันเห็นแจ้งะ ว่ากายนี้จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่าต้องมีความอยากแล้วถึงจะทุกข์นะกายนี้จิตนี้น่าเป็นตัวทุกข์ท่านถึงบอกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันเป็นตัวทุกข์ขันซึ่งเราไปยึดมั่นอยู่นี่เป็นตัวทุกข์ขันนั้นมันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองทําไมต้องมีคำว่าอุปาทานขันใช้ขันเฉยๆไม่ได้หรือเพราะขันบางอย่างเนี่ยไม่ใช่อุปาทานขันขันมีสองอย่างนะขันที่เป็นอุปาทานขันเนี้ก็คือขันอย่างชาวโลกกามีนั่นเอง ขัทนที่ไม่ใช่อุปาทานขันคือโลกุตระจิตทั้งหลายพวกโลกุตระจิตนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ถือว่าเป็นอุปาทานขันไม่จัดอยู่ในของทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาจนเข้าถึงโลกุตระแล้วเนี่ยจะพ้นจากของทุกขนะ์ไม่มีเครื่องเสียดแทงอีกต่อไปดังนั่นถึงว่าถ้าขันห้าเนี่ยอุปาทานขันเนี่ยอย่างร่างกายเป็นอุปาทานขันอยู่ จิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลความสุขความทุกข์อะไรพวกนี้เป็นอุปาทานขันพวกนี้จิตพวกนี้เป็นที่ตั้งของความยึดมัน่นเป็นกล่องทุกข์เราจะต้องเรียนนะเรียนรู้ทุกข์ให้แจ้งพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้ความจริงด้วยเพาะทุกตัวสุดท้ายที่เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ได้นะั่นคือจิตนั่นเองเราจะเห็นได้ง่ายว่าร่างกายเป็นทุกข์ คนที่ไม่เคยเจริญสติจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างแต่พอจเจริญสติไปถึงขั้นหนึ่งจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยแต่ว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นถึงตรงนี้จะไม่ยึดกายนะเป็นภูมิของพระอนาคามีแล้วถัดจากนั้นจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยถ้ามีความอยากมีความยึดถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์นี่พระอนาคามีมีความเห็นจิตตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยมีปัญญาไม่แจ่มแจ้ง รู้อริยสัจไม่พอต่อบันไดรู้อริยสัจแจ่มแจ้งรู้ว่าขันเป็นตัวทุกขนะ์เลยแล้วสลัดคืนขันห้าเป็นภาระเป็นทุกข์พระาริยะเจ้าสลัดคืนกันห้าไปแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกแล้วเพราะงั้นสลัดออกไปแล้วยังหยิบได้อีกนะไม่ใช่สลัดแล้วสลัดเลยนะถ้ายังไม่เต็มภูมิไม่แจ้งอริยสัจเนี่ยจะหยิบขึ้นมาอีกอริยสัจนี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดที่ชาวพุทธจะต้องส่งไว้ให้ได้ เ้อเรียนมาให้ได้บางคนทับกนหลวงพอ่อทำไมพูดแต่เรื่องอริยสัจมันเข้าใจยากบ้างบางทีก็รู้สึกมันง่ายๆ่ายบ้างอริยสัจเนี่ยสาคัญที่สุดเลยพระอาจารย์บอกถ้าไม่แจ้งอริยสัจยังเรียนไหวไตเกิดอยู่ไปอ่านพระไตรปิฎกเลยสามเดือนก่อนปรินิพานสามเดือนก่อนปรินิพานาในพระไตรปิฎกระบุไว้ครับพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจเป็นส่วนมากเทศแต่เรื่องนี้นะเรื่องนี้สําคัญที่สุด เราต้องอ ด, อดทนขอแนะนําให้ไปอ่านหนังสืออริยสัจนะอไปอ่านมีแจกมึงยังมีไหมมีคนมาขอฟรีอีกแล้วเรจะหมดแล้วไปศึกษานะศึกษาจนวันใดเข้าใจความจริงแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเข้าใจด้วยใจจริงๆแล้วเราจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เราเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เราสามารถค้นทุกได้อย่างถาวรเี่เกิดเป็นมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์นะคือสแสวงหาความสุขให้ตัวเองให้ได้สัตว์เดรัจฉานมันก็หาความสุขมนุษย์ทั้งหลายก็หาความสุขแต่มันหาตามชั้นตามปู่มตามสติปัญญาของมันะพวกเราชาวพุทธพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกฝานเ้วก็หาความสุขด้วยความเป็นพุทธะจิตของเรากะเป็นพุทธะขึ้นมาจิตของเราก็เป็นธรรมะขึ้นมาจิตเหล่านี้แหละเป็นพระสงฆ์เละ ตรวจกันบ้านวันนี้โยมเยอะเลยต้องเทศเทศนะเพราะว่าตรวจการบ้านก็ได้ไม่กี่คนหรอกคุณตรงเชิญมันคล้ายๆหลงนะครับอะไรนะคล้ายๆกันหลงคล้ายๆกันหลงใช่คล้ายหลงหลงจริงๆใจจะใจมันอยู่นอกนอกหรือออกไหมใจไม่ตั้งมั่นนะมันหลงอารมณ์ออกไปแล้วมันไม่ยอมถวนเข้ามาดูออกไหมไม่เหมือนไม่ถวนมันมันไม่เหมือนเดิมรู้อย่างเดียวใชแต่ว่ามันไม่ค่อยสบาย บไม่เป็นกลางทํายังไงสิตจะเป็นกลางก็แค่รู้มันจริงๆแล้วความเป็นกลางไม่ได้อยู่ตรงนี้ะความเป็นกลางไม่ได้อยู่ข้างนอกความเป็นกลางไม่ได้อยู่ข้างไหนความเป็นกลางอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนาแล้วเราไม่สบายเราโดนยาดบไปเยอะนะเบลอบลไปเบลเบลอยู่ข้างหน้าเนี้อย่างคุณเหนึ่งเนี้ยไปเบลเบอยู่ข้างหน้าเพราเวลาไปเบลเบอยู่ข้างหน้าแล้วใจเราเป็นกลางนะมันจะกลางพอดีเลยไม่ต้องดึงนะ แค่รู้ว่าใจออกนอกเนี่ยรู้ว่าใจออกนอกแล้วก็สักว่ารู้สักว่าเห็นมันจะกลางพอดีเป๊ะเลยจะรู้ตื่นเบิกบานมีความสุขขึ้นมาในฉับพลันเพะนั้นกลางไม่ใช่ต้องดึงเข้ามาหลายคนคิดว่ากลางแล้วต้องดึงเข้ามาอันนั้นไม่กลางนะ้วกลางจริงๆไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างในแม่ดีมากเลยวันนี้เอาส่งไปเลยเอา้าเอาไม่ส่งเอาว่าไปเรืเองอะไรอาจารย์ซุปออนสบายกว่าเมื่อวานครับ แล้วก็จะถามว่า อ, อ่านอ่านไปแล้วก็ดูใจไปได้ไหมครับอ่านหนังสือธรรมะครับจะอ่านเยอะนะ ค, คือเวลาที่เราจะอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยอ่านที่ไหนก็ได้ต่เวลาที่เราจะเศ้าดูใจได้เยอะๆนะอยู่บัาเนี่ยขยันดูนยเวลาที่เราเหนื่อยเราเพลียเราเบื่อมากๆเลยก็ไปอ่านแล้ว น, น, นั่งแล้วมันมันมันฟุ้งซ่านนะครับ แล้วก็ฟู้งซ่านทําไงดีฟู้งซ่านอันแรกเลยรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ดูจิตได้ดูจิตไปนะถ้าฟู้แล้วยังดูไม่ไหวนะเห็นร่างกายนี่หายใจออกหายใจเข้าไปนั่งดูร่างกายหายแใจไปถ้ายังดูไม่ไหวอีกก็ทําความสงบทําความสงบทําสมาธิไม่ได้ไปหาหนังสือธรร ม, มะอ่านก็ได้ครับใะนั้นเป็นมาตรการขั้นหลังๆแล้วเ อ, อที่เมื่อเช้าฟังทําไปดูลมไปครับพอใช้ได้บ้างไหมพอใช้ได้ครับ คุณมนคุณมนนี่มีคนมาบอกว่ามีชื่ออยู่ในซีดีทุกแผน่นแล้วบางคนนะพ่อหลวงพ่อเรียกคุณมนไหนๆคนนี้ลหร อ, อได้ยินแต่ชื่อน่าว่าไปหลวงพ่อค่ะตอนตอนมันฟังหลวงพ่อสอนนะคะจิตมันไปนปลื้มันไปนเ อ, อ๋อลอยอยู่ทุกคนให้รู้ไปรู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยตอนนี้ก็ยังเอ๋ออยู่ดูแบมนี้แล้วมนก็ไปประคองเอาไว้แบบพยายามจะล้างไปล้างมาเอา ก็ให้รู้ว่ากาลังตกคองไว้เป็นยังไงให้รู้ลงไปอย่างที่เขาเป็น ม, มันฟังแล้วมันก็น่าพลื้มเราหลวงพ่อถามใครๆดูสิคะเขาก็ปลื้มเหมือนลงพ่อไม่เห็นคนอื่นมันคุณมลเลยเขาไม่พลื้มเท่าคุณมหลหรอกไม่ต้องถามหรอกนะ <S <S อ่า<ะ>ว่าไปก็ยังสพอยู่แต่ว่า มันใจไม่ตั้งมั่นดอกปล่าไหมดูไม่ออกค่ะรู้สึกไหมใจยังฟุ้งซ่านด้วยะใจฟุ้งซ่านใจมันไปนอกๆมันไม่ทวนเข้ามารู้กายรู้ใจการภาวนาเนี่ยบางครั้งมันก็ทวนเข้ามาบางครั้งมันก็ออกนอกๆห้ามมันไม่ได้หรอกมันยังจําไม่แม่นว่ายังไงสภาวะไหนมันถึงจะบอกถึงได้พอดีไม่หามัน มันจำไม่ได้ก็เรื่องของ ม, มันไม่ใช่เรื่องของเราต้องใจถึงถึงนะถ้าใจถึงแล้วง่ายมากเลยถ้าใจไม่ถึงก็จะดิน้นดิ้นเที่ยวสแสวงหามันอันไหนหนะ้าไหนนะอย่างบางคนนะั้นบอกให้หลวงพ่อช่วยชีย้หน่อยว่าตอนไหนที่รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บหลวงพ่อบอกไายรู้สึกแล้วไหนไหนตรงไหน <laughs> มันไม่มีแล้วนะก็อ๋อตรงนี้เหรอเนี่ยตรงนี้เองที่รู้สึกตัวเนี่ย ออกนอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วไปจําตัวที่ผิดไว้เงั้นไม่ต้องพยายามหรอกใจเราเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันไปสนใจบางสิ่งบางอย่างอยูอย่อะค่ะก็รู้ไปรู้ว่ามันสนใจะแล้วไม่ต้องไม่ต้องแกะนะสมถะกับวิปัสสนาไม่เหมือนกันนะสมถะจิตไม่ดีต้องแกจิตไม่สงบต้องทําให้สงบจิตไม่ดีทําให้ดีจิตไม่สุขทําให้สุขเลย มิปัสนาจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเห็ น, ปนไปเลยจิตมันจะไม่สงบจะไปทําอะไรมันมันไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่สงบของมันเองนดูอย่างนี้มันอยากรู้เรื่องเรื่องหนึ่องอะค่ะมันอยากอะไรนะอยากรู้เรื่องเรื่องเรื่องหนึ่ง อ, อ๋ออยากรู้ก็ไปหาข้อมูลเนาถามหลวงพ่อได้ไหมคะเรื่องอะไรนะ่ะเวลาเราเวลาเรามองออกไปอะค่ะมองที่วัตถุอะค่ะเราถ้า ระหว่างสายตาเรากับวัตถุถ้ามันเป็นมันเห็นเป็นเม็ดเม็ดนี่อันนัอันนั้นเป็นปกตินะถ้าเราเราความรู้สึกตัวแรงๆขึ้นมันเห็นเป็นเม็ดเม็ดเราเห็นอากาศข้างหน้าเรานี้เป็นเม็ดเมไม่มีนัยยะอะไรหลวงพ่อก็เคยปีสนใจเม็ดเม็ดนี่เหมือนกันเป็นปกติไม่ต้องสนใจธรรมดาธรรมดายิ่งถ้าเราเราความรู้สึกมากๆให้เห็นชัด บางทีเห็นชันแล้วก็วถ้าจะดีทั้งมันทําใหญ่เลยไม่เอาอันนั้นเอาอาจารย์โอ๊ต<ะ>ชื่อโอ๊ตอเปล่าไม่ใช่เหรอชื่ออะไรล่ะชื่ออามเขาชื่ออามเนาะใต้เคียงนะเอาว่าไปเลยลืมเลยเอเนี่ยสัญญาไม่เที่ยงอ๋คือจะเรื่องมีเรื่องจะถามหลวงพ่อเรื่องหนึ่งคือที่หลวงพ่อเคยบอก เคยมีพระตะโกนข้ามสระน้มมาว่าอยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้ ว, ลวบางทีผมเดินไปรู้สึกว่าเห็นที่แบบว่าเอ้ยตรงนี้ดี อ, อยากจะพอแต่ผมก็รู้นะครับว่าเอ้ยเนี่ยเราอยากละแต่ถ้าเกิดเราไปภาวนาแถวนั้นก็ถือว่าผิดไหมครับไม่ผิดสิอย่างสมมติว่าตรงนี้มันน่านั่งภาวนานร่มรื่นเหมาะกับนิสัยเราเะถ้าเราเห็นตรงนี้ใจมันอยากเรารู้ว่าอยากความอยากดับไปแล้วหรือเหตุผลแนละ้ว สมควรนั่งตรงนี้ก็นั่งถ้าไม่สมควรก็ไม่นั่งมันกลัวว่ามันจะเป็นกระแบบการคิดเข้าข้างตัวเองว่าแบบเราไปหดูใจของเราเนี่ยดูไปแล้วก็รู้เองว่าเข้าข้างตัวเองไหมสังเกตเอาครับหรือบางคนมาถามหลวงพ่อว่าถ้าเดินไปร้านอาหารเห็นของอร่อยเนี่ยต้องเลือกกินของแม่อร่อยหรือเปล่าไม่จาเป็นเสมอไปนะแล้วก็เมื่อาาวานอย่างช่วงนี้ผมจะเดินจงกรม จะตั้งเวลาไว้ยี่สิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสิบห้านาทีไม่ให้มันน้อยหรือไม่มากเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบไปเพอเพ่งติดนอนติดนี่แล้วก็แบบเมื่อวานตอนที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยจะแบบว่าทุกลมหายใจทุกลมหายใจเข้าเนี่ยจะบอกว่าคิดเข้าทีหนึ่งคิดคิดคิดคิดแล้วบางทีมันทีเหมือนกับว่าเออเราตกลงเราคิดเป็นสายเดียวกันไปไม่รู้เรื่องเลยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่มัน ก็บอกกไม่ถูถดูไป ม, มันความคิดก็ขาดเป็นจุดๆไปนะก็เห็นมันเกิดจับไปไงั้นนะสังเกตไหมที่น่าสังเกตยิ่งกว่าตัวความคิดก็คือมันไปคิดได้เองอ่าใช่ครับให้ดูลงไปจิตมันคิดได้เองจิตมันทํางานได้เองจิตมันปรุงแต่งได้เองดูอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งนะมัจะไม่ยึดถือจิตครับแล้วก็สุดท้ายนี้มีอะไรที่ผมควรจะต้องวันเนี้ใจทื่อๆมากกว่าเมื่อวานนะดูออกไหม ดูไม่ค่อยออกอะครับวันนี้มันซึมไปแล้วมันทื่อๆไปโอเคอคุณต้บณับลุกมีอะไรไหมอ่ะไปข้างหลังมีความสุขว่าจิตมันยังดิ้นอยู่เยอะเลยคะ่ะต้องดิ้นนะถ้ารู้สึกว่าจิตไม่เคยกระดุกกระดิกเลยทําผิดถีกแล้วต้องไปเพ่งแล้วมันดิ้นไปในเรื่องการปฏิบัติ ด, ด้วยอะคะอ่ะเออก็ให้รู้ว่ามันดิ้นดิ้นอะไรก็รู้ไป มันดิ้นได้เองดูออกไหมดูยังไม่ออกค่ะแล้วดูไม่ออกก็มไม่ต้องดูให้ออก <c oughs> ไม่ต้องพยายามดูเท่าที่ดูได้แล้วบางทีอยู่ดีๆก็จะมีสภาวะเกิดขึ้นคือไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจิตรวมหรือเปล่าเพรารู้สึกว่าบางทีตาเขาอยากจะหลับเองด้วยแล้วก็จิตมันรวมจิตมันรวมอ่มันรวมของมันเองเพราะเวลาที่เราตามรู้ตามดูนะพอมันเหนื่อยขึ้นมาจิตมันจะรวมของมันเองเแล้วอย่าไปฝืนมัน มันรวมไปแต่ว่าตอนที่มันถอยขึ้นมาแนละ้วอย่าให้มันครั้งอารมณ์นั้นออกมาตอนที่ใจถยอยออกจากที่พักนะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาหน่อยอยให้เบลอเบลออกมาแล้วหนูยังต้องมีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้างคะก็อย่าจงใจแรงรู้ไปเรื่อยๆจงใจแรงเกินจริงนิดนึงนิดเดียวนะไม่ต้องไปลดเดยอนะแต่ลดเดยอะเดี๋ยวอ่อนไป อ้าคุณหมออ้าวโอ้ใหญ่ก็มากับเขาด้วยรู้สึกถึงใจมันพยายามไม่อยากให้ตัวเองตื่นเต้นนะครับแล้วก็เหมือนพยายามผลักไสอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าไอความความอยากที่ผลักไสที่มันมันเหมือนเหมือนว่าบางทีเหมือนเหมือนจะแรงเหมือนบางทีเหมือนจะเบาอืมนั่นเหมือนเป็นเที่ยงครับเดีอยวไปงั้นเลยครับมันเกิดเอง ไม่ไปไปมา ๆ, มาๆหลวงพ่อวพัวเรื่องที่มันเป็นเองมันเกิดเองมันเป็นอย่างนั้นแหละหลวงพ่อพุทธาเป็นชอบบอกตัศตามันเป็นอย่างนั้นเลยเอาโอใหญ่ส่งกันบ้านรู้สึกไหมสร้างอะไรขึ้นมาแล้วสร้างหมูกระดาษขึ้นตัวหนึ่งแล้วใช่ค่ะหมูตัวนี้โตซะด้วย <laughs> อ้าว่าไป ช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกทุกข์มากเจ้าค่ะและ้วก็เวลาโอรู้สึกไหมว่มาตอนที่พูดอยู่เงนี้ไม่ใช่โอตัวจริงอ่ะรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวจริงของเราดูออกไหมเจ้าค่ะเนี่ยดูตรงนี้ไปเลยนะเจ้าค่ะฝึกอย่างนี้แหละใช้ได้อเอาไม้นุ่มหลวงพ่อทราบเที่ยวหนูได้ไงคะฮะหลวงพ่อคือยังรู้ตัวว่าขาดขาดเกินเกินอยู่คะ่ะเราชอบแทรกแซง จิตหนูมันจะดื้หลงแล้วหลงแล้วรู้สึกไหมค่ะหลงเข้าไปแล้วหลงไหลวิ้ไปให้เรารู้ทันค่ะแล้วอาว่าเพ่งอยู่เยอะมากไหมคะอ๋อฮะตอนนี้ไม่เพ่งอ่ะค่ะตอนนี้มันตื่นเต้นเลยไปกดเอาไว้ดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊ให้เนี่ยหลงอีกแว๊บนึงแล้วรู้สึกไหมอาว่าไปค่ะแล้วหมดละคะหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคอ๋อนั่นแหละให้คอยรู้เอานะค่ะเป็เกณฑ์ไม่ใจเราเดี๋ยวก็ตัั้งงใจฟ เดี๋ยวก็หนีไปคิดเแต่ตรงเนี้ยนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมให้คอยรู้ทันไปเรื่อยแต่ไม่แทรกแซงไม่บังคับมันอยากพูดอยากพูดรู้สึกไหมค่ะรู้สึกมันดันขึ้นมาเราบอกมันชอบแบบจะมันใจมันจะดิ้นดินดินอยากจะเข้าไปทําอะไรสักอย่างหนูรู้สึกว่าหนูต้องใช้ความพยายามมากไม่ให้ไม่ห้ามนะตรงที่มันดันขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตันหามันยักดันนะเพอาะักดันเนี่ยมันดันจิดมันถูกตันหายอมแล้วมันจะดิ้นรนปรุงแต่ง มันอยากทํางานจิตที่ไปทํางานเนี่เรียกว่าพบหรืตันหาไปผู้สร้างพบตันหามันความอยากเนี่ยผักดันแล้วจิตมันจะดิ้นดิ้นดินหางานทำจิตที่ไปหางานทำให้เที่ยวแสวงหาพบอยู่ก็ให้รู้ว่ามันดิ้นก็ให้รู้ว่ามันดิ้นมันเริ่มตั้งแต่ว่ามันอยากให้รู้ว่ามันอยากพอมันอยากเสร็จแล้วสติปัญญาเราไม่พอความอยากไม่ดับนะความอยากผักดันจิตได้จิตก็ดิ้นให้รู้ว่าจิตดิ้น ที่ทําอยู่แล้วผิดอยู่ก็คือพยายามไปแทรกแซงเลนค่ะหนูเห็นว่าแทรกแซงเยอะมากๆเลยค่ะอย่างมีความอยากก็อยากอยากจะไม่อยากพออยากขึ้นมาแล้วก็จะไม่ให้มันดิน้นะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดัดแปลงตัวเองอนะั้นแต่เราฝึกที่จะเรียนรู้กระ บ, บวนการทํางานของมันเราจะเห็นเลยว่าจิตใจของเราเนี่ยนะมีกระบวนการที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองได้มีความอยากขึ้นมาแล้วใจก็ดิน้นใจก็ที่เราใจก็มีความทุกข์ขึ้นมา รูไปอย่างนั้นนะชื่อแปลกนะชื่อไม้นุ่มแล้วมีไม้นวลมันมีฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกจิตมันยังไม่มีแรงหรอ่าจิตมีแรงมีแรงอยู่แต่ไปกดไว้ไม่แรงไม่เต็มที่นะขาดแรงนิดหน่อยแต่ว่ามีแรงมากพอที่จะปิดกดมันเอาไปกดไวใช่ไหมเพราะมันตื่นเต้นด้วยเ อ, อให้มันตื่นเต้นไป หันไปข้างหลังแบบผมตื่นเต้นครับแล้วจะหายลหรครับหายผมตื่นเต้นครับเอ้าไก่ขอบคุณรัศการของพ่อค่ะ เชื่อว่าที่ราย ง, งานหลวงพ่อว่าเข้าไปหลงกับพบภายในอ่ะค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ข้างนอกอพอหลุดจากตรง น, นั้นออกมาตอนนี้ก็ยังมีการสร้างพบเล็กๆอยู่เอแต่มันจะเห็นความอรู้ตัวขึ้นมาเล็ึงแล้วก็ทะลั่ลงไปใหม่แล้วก็เป็นความขัดเคืองใจเออยากภาวนาดีๆถวายหลวงพ่อนะคะดีไม่ต้องมาถวายอภ า, าวนาเอาก็แล้วกันเนดะี <c oughs> ๋ยวพอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ <c oughs> ดีแล้วละ่ะสึกไปค่ะหลวงพ่อ บ, บอกว่า อยากขี้เกียจแต่ก็อยากให้ยังไม่เรีบร้อ น, บ, อนบางคนเวลาภาวนานะรูกรีรุกรน้อนจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้นะพวกที่อยากก็ได้เร็วๆอันภาวนาไม่ทนหรอกคื ม, มีตรงนี้อยู่เยอะใช่ไหมคะออพออยากได้เร็วๆแล้วมันไม่ได้อย่างอยากเดี๋ยวก็เบื่อละแต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องการภาวนานะไม่สนใจเลยว่าการภาวนาเป็นยังไงคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเรื่อยๆ ทุกวันก็รู้สึกใจรู้สึกใจไม่หลงไปไม่เผลอไปถ้าเผลอเพลิลนไปก็ถือว่าประมาอไปขี้เกียจไปให้คอยรู้สึกใจรู้สึกใจไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกไปถึงเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันหน้าที่ของเรามีอันเดียวก็คอยรู้สึกไปเท่านั้นแหละอย่างนี้เรียกว่าไม่รีบร้อนถ้ารีบร้อนในหวังผลเคยมีเดี๋ยวต้องดูผลสนินทาไม่มานะมีรุ่นพี่คนหนึ่งรู้จักคุ้นเคยกัน แกบอกหลวงพ่อภาวนาเร็วภาวนาเจ็ดเดือนแจกจะภาวนาสามเดือนนี่จนวันนี้นะเกือบสามสิบปีแล้วนะ mm. ใจที่มันมีความอยากอะมันมีความอยากมันจะเร่าร้อนทุรนทุรายแล้วก็ดิ้นดิ้นดินดิ้ น, นแทนที่มันจะหยุดความปรุงแต่งมันกลับดิ้นรนว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกนักปฏิบัติที่ภาวนาหลายปีแล้วก็ล้มเหลว อ, อยู่งั้นนะเพราะว่าจริงๆในใจลึกๆนะมันคอยคิดอยู่ด้วยทยํายังไงจะดี ทำยังไงจะถูกทำยไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันมีคำว่าทำเมื่อไหร่ที่คิดว่าทำก็คือปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติขึ้นมาสร้างหมูกระดาษสร้างหมาบ้างหมูบ้างแล้วมีหลายชนิดะรีบร้อนค่ะแต่ว่าไม่พอค่ะมีความตั้ใจมากขึ้นเรื่อยๆอแต่ให้รู้ทันนะใจยังรีบร้อนอยู่กลับพข้าขึนค่ะอา้าวยุย้ยทีมนี้ดีนะตัวป้ายใหญ่มากเหมอคนแก่ ค่ะหลวงพ่อจะฟุ้งซ่านนะคะหลวงพ่อเหรอไม่ใช่ค่ะตัวตัวหนูค่ะจะฟุ้งซ่านแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยจะรู้ตัวว่าตัเองตื่นเต้นแล้วแล้วบอกว่าก็พยายามบอกว่าไม่ไม่กดธนะคะก็คือปล่อยมันเเอออปล่อยปล่อยมันก็คือแบบตื่นเต้นก็ตื่นเต้นไปแต่ว่าช่วงก่อนหน้าเ น, นี้ยค่ะจะจะฟุ้งซ่านมากเลยแบบจะคิดบอกว่ารู้สึกไหมเล่ามาถึงตอนเนี้ยฟุ้งซ่านจริงๆแล้ว<ช> ดูออกไหมยังมันแบบจะฟุ้งๆหล่ๆไปฟู้งไปด้วยแล้วอินไปด้วยค่ะอินให้เรารู้ทันตรงที่อินเนี่ยค่ะ้าววแลไตอนนี้เริ่มลดลงแล้วค่ะอะไรนะลดลงแล้วใช่ลดลงแล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้ทันสภาวะเรารู้ว่าเราไปอินเมื่อไรที่สติรู้ทันสภาวะนะจิตจะสงบอัตโนมัติค่ะเนี่ยตอนนี้สงบเลยค่ะเอแล้วก็ S <S เ, เริ่มฟุ้งอีกแล้วรู้สึกไหมสายสายสายอย่างให้รู้ทันไป <S 2> <S 2> บาทีจะรู้สึกเหมือนแบบเราทําไม่เป็นนะคะภาวนาไม่เป็นรู้สึกแบบหลวงพ่อถึงสอนว่าไม่ต้องทำหรอกภาวนาไม่เป็นรู้ว่ากําลังไม่เป็นอยู่อยากภาวนาให้เป็นรู้ว่าอยาก<อ>ตรงที่เรารู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏนั่นแหละเรียกว่าภาวนา งั้นบางครั้งเบลอไปหมดแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วภาวนาไม่เป็นแล้วรู้ว่ากําลังงงอยู่รู้ว่ากําลังดิ้นรนอยากภาวนาให้เป็นรู้ทันตรงนั้นปั๊บเนะภาวนาเป็นแนละ้วบางทีก็รู้สึกแบบว่าใจมันมันคือแบบมันท้อแท้มันไม่อยากปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่บอกว่าเออกระทาของมันเองอย่างเงี้ยบางทีเราอยากจะทิง้งบางทีก็อยากจะปล่อยมันไปเลยแต่ว่าก็ปล่อยไม่ได้เละะี้ยค่ะปล่อยไม่ได้หรอ คือถ้าคนไหนเรียนกับหลวงพ่อจนสติจริงๆเกิดแล้วเนี่ยนะเลิกปฏิบัติไม่ได้ถึงจะขอร้องมันว่าเลิกเหอะเลิกเหอะมันก็ไม่เลิกเพราะมันจะภาวนาของมันเองนะหลวงพ่อเคยเป็นนะมีอยู่คราวหนึ่งเห็นสภาวะข้างในเนี่ยไหวยั้ยั้งยยั้งครับทั้งวันทั้งคืนเลยนอนหลับยังเห็นเลยตื่นขึ้นมาก็เห็นนะเห็นอยู่เดือนหนึ่งเนื้อยเหนื่อยเหนื่อยใจจะขานเลยนะบอกมันว่าขอไม่ดูสักวันเถอะนะ ไม่โปรดอย่าดูเลยนะจงขาดสติสุเธอมันไม่ยอมนะมันรู้ทั้งวันทั้งคืนห้ามมันก็ไม่ได้งนั้นถ้าภาวะอย่างนั้นเกิดก็ต้องทําสมถะแล้วก็คือจะไม่ค่อยคือแบบเป็นคนขี้เกียจอะคะ่ะไปดูตัวนี้ด้วยไม่ใช่ขี้เกียจอย่างเดียวชอบข่ําครวนด้วย <c oughs> <c oughs> ไปไปดูตัวนี้นะให้กันบ้างค่ะ <c oughs> รู้สึกไหมไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจะคล่ำควลวนลําพันธ์ไปดูนะเอ้าวกั๊ครั บ, รบหลวงพ่อก็ช่วงที่ผ่านมาจะรู้สึกเหมือนช่วงเนี้ยฮะเหมือนบางครั้งก็จะปัญญาลํรำําหน้าไปอย่างนี้ครับก็เหมือนจะหลอกให้เราไปคิดเลิกรู้สึกตัวอย่างเงี้ยฮะอืก็จะพยายามรู้สึกไว้เรื่อยๆพยายามคล <ใน S 2> <พ>อนเดียไปเรื่อยๆอืตรงที่จิตแสวงหาปัญญาเนี่ยจิตดิ้นรนตรงนี้นะเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมะ ค, รความฟุ้งซ่านในธรรมะเรียกว่าอุทธรรจัก เป็นสังโยชน์ตัวหนึ่งแล้วคุ้มท่านในธรรมะเพราะงั้นใจจะดิ้นรนค้นคว้าธรรมะไม่เลิกใจก็เลยไม่หมดงานครับให้รู้ทันไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมลดการบังคับลงกักวันนี้บังคับแรงไปวันนี้มันนอนน้อยครัอก็เลยต้องไปเค้นเค้มันขึ้นมาหน่อยอะไรนะไปเคนเค้นเหมือนไปเอออย่าไปเค้นนะสิง่วงง่วงไปหลวงพ่อไม่ว่าหรอกขอบ ที่ผ่านมาคือจะเห็นกิเลสเยอะค่ะเป็นตัวโทสะรับราคะเยอะมากแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเราฟุ้งๆเนี่ยมันมันก็จะมีปัญหาในการอยากปฏิบัติมันก็เอหมันกับจะดิ้นรนแต่ละจิตมันก็จะเตือนตัวเองว่ารู้เท่าที่รู้ได้แล้วก็นับเป็นใหม่ค่ะเพิ่มดวออกไหมว่าใจมันไม่เข้ามาการจะเรียนถามอยู่กันเพราะเรารู้สึกว่ามันเบาๆมันมันไปสบายอยู่ข้างนอกค่ะจิตถ้าภาวนาไปช่วงนั้นมันจะเหมือนรู้สึกตัวแต่ไม่รู้สึกจริง มันจะไปเบาๆอยู่ห้านอกให้รู้ทันลงไปรู้เท่ารู้อย่างที่เขาเป็นอ่รู้อย่างที่เขาเป็นรู้ว่าไม่ตั้งมันค่ะคืนะนี้าเกิดในชีวิตประจวันเราคุ้งกระจายมากเนี่ยเราคือหนูมันก็ต้องเหมือนกับพยายามจะเรียนรู้ตัวเองว่าเมื่อไหรเราต้องทําความสงบเมื่อไหรรู้เท่าที่รู้ได้มันเหมือนกับมันยังค้นหาตรงนี้อยู่ไม่เลิกค่ะก็ไม่ต้องค้นมากนะเพียงแต่ว่าแบ่งเวลาไว้นะแบ่งเวลาไว้ ตอนเช้าตื่นนอนมาเนี้ยมีเวลาสมมติมีเวลานะทําความสงบสักหน่อยก่อนก่อนนอนทําักหน่อยกลางวันกินข้าวแล้วทําักหน่อยอะไรทํานิดๆเอาแบบชาวมุสลิมนะละหมาดวันละห้าครั้งแหละเราก็พักทําใจสงบไประยะระยะแไ่ไม่ต้องนานแต่ว่าให้ใจได้พักผ่อนใจพักความมีแรงแล้วก็ อ, ออกมารู้ไหมถ้าไม่ได้ทําความสงบเลยใจจะไม่ตั้งมั่นใจจะเป็นอย่างเนี้ออกนอกนิดนึง แล้วก็สบายอยู่นะหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนนั้นขนาดภาวนาชํานาญแล้วนะแล้วก็ประมาทละเลยการทําสมาธิไปไม่อยอมทําทสมถะเจริญปัญญาลูกเดียวรู้สึกว่าเราจะนิพพานด้วยปัญญานี่แหละไม่ใช่เพราะสมาธินี่โง่นะเพราะว่าคนจะบรรลุมรค น, นิพพานเนี่ยด้วยสมาธิและปัญญาทุกคนแหะไม่ใช่อันเดียวตันนั้นเสร็จแล้วมันก็อยู่ตรงนี้เป็นปีเลยมีแต่ความสุขอยู่อย่างเงี้ยไปถามอาจารย์มหาบัว ตอนนั้นครูบาอาจารย์อื่นไม่อยู่แล้วไปถามอาารมหาบวัวท่านบอกว่าตรงนี้สําคัญนะที่บอกว่าดูจิตอยู่ไม่ได้ดูจิตจริงหรอกดูไม่ถึงจิตหรอกบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวเองให้บริกรรมเข้าไปท่านพูดอย่างเนี้ยพูดอย่างนี้เราก็กราบท่านมาพิจรารณาทําไมท่านให้บริกรรมลองบริกรรมที่พุโทโธพุโทโธนะพุโทโธสองคำเท่านั้นเหมือนโลกจะแตกเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยโอ้ไม่ได้ฮะ พูดโธก็ไม่ได้ยิ่งพุดโธทรยิ่งรู้สึกว่าปรุงแต่งมากขึ้นก็มาสังเกตว่าทําไมท่านบอกให้บริกรรมไปสังเกตดูก็คือจิตเหมือนมันปลื้มตรงเนี้ยจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไม่ถึงฐานที่แท้ จ, จริงเจริญปัญญาต่อไม่ได้แต่พอเรารู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานนั้นมันก็ถึงของมันเลยเพราะเรารู้ด้วยความเป็นกลางดังนั้นถ้าเรารู้อย่างเป็นกลางนะมันจะถึงฐานพอดีแต่ถ้าเรารู้ไม่เป็นกลางเราเห็นว่าจิตอยู่ข้างนอกเราจะไปดึง พยายามดึงตัวเนี้ยจะสร้างความทุกข์สร้างความหลงแต่งขึ้นมาอีกให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะอือวันนี้คุณได้สามแถวเองโยมเยอะอีกหนต้องไล่อย่างนี้แนละ้วไล่แนวนี้บ้างจะได้ถึงข้างหลังว่าก็นอกจากหลงแล้วก็โทสะเยอะมากครับรูนะ้แต่ครับห้ามมันไม่ได้ค่ะที่ผ่านมามันเป็นช่วงเทศกาลนะคะ ก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยหลงโลกเยอะมากออืทีนี้ถ้าถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันก็สุขแต่สุขมันจะมีโมมโหะสุขของโลกมันสกปลกสุขอย่างชาวโลกนะมันเป็นเด็กเล่นกวดเล่นสายข้างถนนนะมันเด็กมันก็มีความสุขนะไปเล่นก้อนอิดก้อนหินข้างถนนเลยก็มีความสุขมอมแมมยังไงมันก็มีความสุขนี่สุขของโลกโลก สุขของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขอย่างสงบสะอาดสว่างก็ดูไปแต่ยังไม่พ้นโลกก็ต้องดูไปอย่าหลงโลกรุนแรงก็แล้วกันอยู่กับโลกแต่ค่อยๆเรียนรู้เห็นแต่ความทุกข์นะในโลกสังเกตไหมคนในโลกมีความทุกข์เยอะเคยสังเกตไหมมันทุกข์ทั้งหมดเลยไอ้คนที่กำลังยิ้มยิ้มมันก็ทุกข์นะบางคนยิ้มไปยิ้มมาหัวมีเมียน้อยข้างในกําลังร้องร้องร้องอยู่นะแต่หน้าคนก็ยิ้มหวานไปได้เลย เนี่ยตรงไปถ้าจิตเราไวๆนะเราไปสัมผัสกับคนนะเราจะเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์โลกเนี่้น่าสงสารแล้วเป็นความทุกข์ที่ไม่มีทางออกด้วยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงกับชีวิตของเขาเขาทนทนไปนะหรือไม่ก็หลอกตัวเองหรือนีความจริงไปวันๆหนึ่งนี่คนในโลกน่าสงสารมากเลยนี่พวกเราหัดภาวนาเรารู้แล้วเรามีทางออกอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้คอยรู้ไปวันหนึ่งเราพ้นจริงๆ ค่ะอย่างอย่างเวลาที่เราเห็นสภาวะต่างกานอย่างเช่นถ้าเป็นความทุกข์หรือความโกรธเนี่ยเราเห็นว่ามันดับชัดแต่ว่าถ้ามันเป็นความหลงเนี่ยมันจะเห็นเป็นแยกออกมาเห็นเท่าที่เห็นได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราอยู่ต่างหากนั่นก็ได้อะไรก็ได้เห็นเกิดแล้วก็ดับในเห็นอนิจจังอ้าวแล้วถามอีกนิดนึงได้ไหมอย่างถ้าเกิดเราเห็นโทษทุกข์มากๆ แต่ว่าเราก็อยากช่วยแต่เรารู้สึกว่าเราก็รู้น้อยมากมากอะหมือนถึงว่าถ้าเกิดเราจะไปพูดช่วยเขาเนี่ยเราก็จะเราก็จะฟุ้งไปเลยเอาตัวรอดกัอนแล้วเอาซีดีหลวงพ่อไปให้เขาฟังเอ า, อาเองรู้สึกว่าตัวเองในายนิริตรู้สึกไหมหมูกระดาษของนายณิริตตัวใหญ่มากเลยมันทําทันทีนเลยอ่ามันจะลงมัดทุกวันอ่าจะลงมัดเลยเนีย เราก็รู้ไปนะคะว่ามันทำแบบนี้เป็นหมู ห, มหัวดังๆด้วยนึกถึงไหมตอนนี้นิสสุว่าตัวเองก็ยังยอมรับมันเยอะขึ้นไม่ทราบว่ามันเป็นกลางจริงไหมยังไม่กลางมันไม่ยอมเออ่าไม่ไม่ยอมยังไม่หมดแรงดิ้นเลยถ้าไม่แรงมันเจอะนักอายุป่านนี้แล้วเป็นเพราะว่ามันเคยทําสมาธมาเยอะหรือเปล่าคะอืมใช่มันก็เลยพยายามจะ คิด่าเอาชนะได้เอาคิดว่าจะเอาชนะได้ได เ, อไดเอาชนะจิตให้ได้วันหนึ่งเราจะควบคุมมันให้ได้ดูตัวนี้ไปได้นะคะให้รู้ทันตัวเองนะไม่ใช่ดูเรื่อยๆไปดูแล้วช่วยมันพิจารณานิดหน่อยะให้เห็นไหมมันบังคับไม่ได้จริงหรอกเลยสอนสอนมันบ้างเพราะว่ามันดื้อ ม, มากกว่าคนอื่นคเขาจิตในยานิตมันฟุง้งอ่ะอย่าพูดธรรมะเยอะนะ ธรรมะเยอะสอนคนอื่นจะยิ่งฟุ้งใหญ่เลยแต่ว่าตอนไปสอนเขามันจะมีความสุขแต่ว่ามันจะฟุ้งจนหมดแรงแล้วไม่มีเวลาดูของตัวเองมันจะเหนื่อยจนหมดแรงแต่เวลามันไปพูดธรรมะให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยไปสอนมันจะมีความสุขแล้วมันจะพอใจในสภาวะนั้นแต่ว่ามันจะพัฒนาไม่ไหวให้ระวังเลยวันนี้สบายกว่าเมื่อวานรู้สึกมัน ช้ำชื่นแล้วก็สลับกับลุกลิกลุกลิกรู้สึกไหมตอนเนี้ยตัวปลอมครับเอาตัวปลอมมาคุยกับหลวงพ่อดีที่รู้ทันไดตน้ตอนนี้หัดเรียนรู้ตัวอยู่หรือตัวปลอมน่าจะตัวจริงครับผมเนาะไปดูให้ดีนะครับผม <laughs> จิตตอนนี้กับตอนที่ไม่ได้เจอหลวงพ่อเหมือนกันไมืมตอนนี้ดู ดูมันเรียบมันเรียบร้อยกว่าความจริงเดี๋ยวไหมเนี่ยตัวปลอมนะครับดูเรียบร้อยไปแล้วไงอีกอ่าตอนนี้หัดเรียนดูสภาวะเพื่อให้ดูความจริงอยู่ครับผมแล้วมีข้อแนะนําครับผมได้หัดรู้เหมือนที่หลวงพ่อสอนตัวนี้นะตัวนี้ดูง่ายถ้าเข้าใจตัวที่เราปลุงขึ้นมาเราสร้างเมื่อกี้หลุดออกมาแล้วเอออย่างนี้ค่อยดูในตัวปลอมอีกแล้วเมื่อกี้ตัวจริงโผล่มน่อยผมพอจะดูออกไหยจะหัดกลับไปดูครับผมครับ คนนี้มาจากไหนธรรมดงครับเออก็คือตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วก็เต้นๆครับใครพามาอนะ่ะมาจากใครบ้านอาลีครับมาจากใครบนะ้างบ้านอาลีอ๋อบ้านอาลีคือเคยมีครั้งหนึ่งที่มีความสุขมากครั้งนั้นคือสมถะหรือวิปัสสนาคือถ้ามันทําอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะแล้วมันมีความสุขตอนเด็กๆเนี่ยฝึกสมถาง่าย เด็กๆนั้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างเราบริกรรมไปหายใจไปอะไรนะมันสงบง่ายแต่พอมันสงบแล้วประมาณเราคาดหวังพอลงมือปฏิบัติเราก็หวังว่าจะมีความสุขมีความสงบอีกมันก็ไม่เลยไม่เป็นตอนนั้นตอนนั้นเราไปใจมันนิ่งไปนิ่งแล้วมันสงบขึ้นมาเหมือนว่าแต่มันก็เหมือนรู้สึกตัวครับแต่ว่ามันสมาธิไม่ขึ้นเลยครับคือนั่งสมาธิไม่ได้ออ ยังไม่ต้องนั่งนะให้ดูไปใจเนี้ยใจดีแป๊บไปรู้สึกไหมไป ห, หนีแป๊บรู้สึกแล้วเคยมีเข้าถึงสภาวะหนึ่งที่มันเหมือนว่ามันจะว่างๆดูไปในว่างๆนั้นนะก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเหมือนคอยคว้าพยายามหาที่เกาะเออคือเวลาที่เราภาวนาเนี้ยพอเราเห็นใจมันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี้ย มันดูลงไปนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นแค่สภาวะผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ตัวเราคนทั้งหลายเนี่ยมันจะตกใจมันจะเที่ยวไผ่คว้าหาที่ยึดที่เกาะรู้สึกเวรงวางเกินไปกลัวตกไปในความว่างให้เรารู้ลงไปว่าใจเที่ยวไผ่คว้าหาที่เกาะอยู่ความว่างอันนั้นไม่ใช่ความว่างที่แท้จริงมันเป็นความว่างที่ขั้นระหว่างความวุ่นวายท่านั้นเองว่างช่วคราวไปเดี๋ยวก็จะวุ่นวายต่อไป เป็นบ้างที่ยังไม่เที่ยงนะเพรานั้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าไปสู่ความว่างอันนี้ะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาความว่างเป็นเป้าหมายนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งเนี้ยชั่วคราวทุกสิ่งเกิดแล้วดับความว่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับฝึกดูอย่างนี้ได้ๆที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะจิตมันค่อยตื่นขึ้นบ้างแนละ้วเราควรมีเขาแนะนำะไไํำไปหรือเปล่าครับ ตอนนี้ตัวปล่ารู้สึกไออผมไม่เคยมีสติตัวจริงเลยอยังครับนี่รู้สึกบังคับน้อยลงลงไปแนละ้วหลุหนมนี้น้อยจินมีความอยากค่ะมีโลภะมีเปลือกด้วยค่ะอืแล้วก็มีทิฏฐิอื ม, มีความเห็นเป็นจริงเป็นจังอืแล้วก็ควบคุมไม่ได้โอ้ดีจังเลย เงินที่บรรยายมามีสองอย่างนะอันหนึ่งคือกิเลสทั้งหลายอีกอันหนึ่งเห็นไตรลักษณ์ควบคุมไม่ได้ใช้ได้ดีละเอาแล้ววันน่ะไี่สองอ่งเงินบ้านรู้สึกไหมว่าปลุงขึ้นมาแต่วันนี้บังคักน้อยกว่าเมื่อวานแต่รู้สึกไหมยังมีเปลือกอยูอ่ต่างกันมาสักนึ่งกระหลงก็ คืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นความโลภชัดเจนมากขึ้นนะคะชัดแบบพอมันเห็นพวกมันก็รู้ว่าเรากําลังโลภอยู่แล้วก็มันก็มีเหมือนเครื่องเตือนสติมาว่าบอกว่าพี่โลภอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หายไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช้ได้ค่ะดีแมววันนี้ดีนะใช้ได้ดีแล้วอะไรโชว์โอกาสไม่ส่งเงนบ้าน คือกำลังคิดว่าถ้าลองไม่ส่งกันบ้านดูจะมีความรู้สึกยังไงอะเรารู้สึกไงไ ม, ไม่เป็นอะไรค่ะที <c oughs> ่เห็นเป็นอะไรเปจิต <c oughs> ตอนนี้ปลอมแล้วรู้สึกไหมค่ะหลวพ่อรู้รู้สึกเห็นตัวดีใจที่พาลูกสามีได้ เราก็เห็นตัวกังวลแล้วตัวกังวลมันก็ขึ้นมาแรงมันก็แน่นสุกสุกเสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าสมาธิเนี่ยมันหายได้แต่มันเหมือนกดขมเอออย่าไปขมมัเลยสมาธิมันขมได้ชั่วคราวนะวเจริญปัญญาไปให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างบังคับไม่ได้ดูไปงั้นที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะภาวนาเป็นแล้ ว, ลวอยู่ไฟฟ้าใช่ไหม ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่เป็นเพื่อนสุมเมศเรียน ท, ที่มาหาชูลาด้วยกันค่ะอ๋อใช่ได้แล้วจิตตื่นขึ้นมาแล้วลูกชายมาด้วยไม่ยอมส่งกันบ้านค่ะเหรอลูกชายทําการบ้านยังไงจะส่งกานบ้านเคยภาวนาไหมไม่ได้ อ, อายุเท่าไหร่ละสิบเจดสิบเจ็ดนะนี <17. S 1> ่ภาวนาได้แล้วไม่งั้นเขาจะบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติต้องผิดไม่ปฏิบัติก็ได้ แต่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องปฏิบัติหรอกไม่ต้องนั่งอย่างแม่ก็ได้<ม>แต่ว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจนะคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไว้นะสิบเจ็ดแล้วถ้าหัดช้าวกว่านี้เดี๋ยวสาวมันหลอกออกไปกินเดี๋ยวนี้ผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทางนะ <c oughs> <laughs> อย่านึกนะว่าผู้ชายไม่อันตรายเนี่ยครูบาต่องเนปะ็นคนปราลบ บวทนี้ก็ดีนะผู้ชายเหมือนดอกไม้ริมทาง <c oughs> <c oughs> อ้าวว่าไงหลวงพ่อฮาเวลาผมจะปฏิบัตินี่ผมจะคิดอยู่ในใจว่าอย่าใจลอยอย่าใจลอยเนี่ยถูกต้องไหมไม่เดียแค่ว่าเใจใจลอยแล้วรู้ไว้หน่อยอย่าใจลอยเปลี่ยนใจไม่ได้อย่างตอนเนี้ใจลอยละนึกออกไหมคําว่าใจลอยของหลวงพ่อหนะหมายถึงลืมกายลืมใจยังไงก็ต้องลืม เพียงแต่ว่าพอลืมแล้วรู้ให้ใวๆหน่อยตอนแรกๆเตือนว่าอย่าใจลอยก็พอใช้ได้นะเป็นอุบายอย่างหนึง่งลองดูเพราะว่าที่ทําอยู่ตอนนี้จิต ด, ดีขึ้นแล้วแต่ถ้าทําอย่าใจลอยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบริกรร ม, มอ่ะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะ่ะใจลอยทั้งคู่เลยรู้สึกว่าจิตตื่นเต้นนะคะ่ะอืแล้วก็คือคือรู้สึกสงสัยอ่ะค่ะว่า ปฏิบัติเก่งเนี่ยสงสัยแล้วรู้ว่าสงสัยอยู่แต่ว่าไม่เก่งตรงที่ว่าพอสงสัยแล้วไปคิดหาคําตอบะถ้าจะให้เก่งจริงๆนะจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยดูซิสงสัยนี้เที่ยงไม่เที่ยงหรื อ, อย่างนี้ถ้าจิตมันงงขึ้นมารู้ว่างงดูซิงงนี้เที่ยงไม่เที่ยงนะหรือจิตมันดีใจจิตมันเสียใจจิตมันตื่นเต้นนั่งดูไปซิดูไปเรื่อยๆดูซิว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยง รู้สึกว่าดูสภาวะจิตไม่เป็นนะคะไม่ต้องหรอกโกรธเป็นไหมก็เป็นค่ะอ่าโวรนั่นแหละสภาวะจิตอ๋อแล้วคือตอนนี้คือพอดีไปปฏิบัติแบบที่ยุคพองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา<อ>ไม่ทราบว่าเราไม่ทราบว่าคือตอนนี้คือหนูปฏิบัติสังเกตไหมขนาดเนี้ยจิตสูงสั้น <c oughs> ให้รู้ว่าจิตสูงสั้น <c oughs> ไม่ต้องฟู้งซ่านหนอนะ ให้รู้ไปเฉยๆไม่ต้องบริกรรมแล้วถือว่าไปกดอยู่หรือเปล่าคะยังไม่กดถ้าเข้าคลาสมากกว่านี้ก็จะกดะเหมือนคุณโอ๋เนี่ยค่ะคือโยมปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็เห็นนั้นกิเลสเห็นการหลงและการเพลิการเพ่งแป๊ดหนึ่งนะโยมเบอ่อสิบห้าหลงไปแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไปแล้วเมื่อกี้นี้นรู้สึกหมดภาระแล้วอ้าเชิญโยม อันนี้พอปฏิบัติไปบางวันก็จะเห็นว่าวันว่างวังว่างมันว่งวางเกินไปก็กลัวเลยค่ะมาเพ่งใหม่เนี่ยอย่าไปกลัวสิว่างวางรู้ว่าว่างวางว่งวางแล้วกลัวให้รู้ว่ากลัวไม่ใช่ว่างวางเราเพ่งมันเพ่งโดยอัตโนมัติค่ะมันเพ่งมันเพ่งรู้ว่ามันเพ่งไปค่ะอะไรเกิดขึ้นรู้ลงปัจจุบันไปคือคนเราภาวนาเนี่ยนะภาวนาไปดูกายดูใจได้พอมีสติขึ้นมาเราเห็นแล้วตัวเราจริงๆไม่มี พอเราเห็นตัวเองไม่มีนะดูมันว่างๆไปหมดเลยนี่พวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งจะเบื่อไปหมดเลยอีกพวกหนึ่งจะกลัวะมีหลายแบบเราเห็นว่างๆไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็ปลอยคว้าวปปหาที่เกาะก็ด้วยการเพ่งเมื่อกี้มีใคร <ๆ S 2> พูดอยู่คนว่าไปเห็นความว่างๆแล้วทะเลยต้องไปไล่เพ่งออกอย่าไปกลัวมัน <ๆ S 1> ว่งวางๆรูวๆๆๆๆๆๆๆ้ว่าว่างกลัวรู้ว่ากลัวสิทธิ์มันจะต้องผ่านตรงนี้ไป มันเพง่งานหลวงพ่อไม่ธรรมดาเใช้ได้แล้วนะตันเนี้ยกีลาดวดไ้ยตัวนี้ย ม, มีเปลือกครับเออขอแต่ว่าเอผมเห็นเปลือกนี้มาตั้งนานแล้วอะครับใช่เห็นแล้วดีแล้วแต่ว่ามันมันมันต้องรู้สึกตัวถึงคําไม่มีจริงๆมันถึงจะไม่มีเปลือกอครับก็ถ้าถ้ายังปรุงแต่งอยู่นะยังพยายามปฏิบัติอยู่ก็มีเปลือกขึ้นมา เมื่อกี้เปลือกหลุดไปรู้สึกไหมเปลือกหลุดไปแล้วกลับมามีเปลือยแล้วเห็นะหเราดูเอานาะมันต้องมันต้องรู้สึกตัวจริงๆหนึ่งใช่ใช่เรารู้สึกตัวที่แท้จริงจะไม่มีอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยเราไปสร้างให้มันมีขึ้นมาสร้างขึ้นมาเองเหมือนเอากระดาษมาแปะเป็นหมูแต่ว่ามันต้องใช้งานไหมครับอะไรนะไอ้ตัวตนนี้มันต้องใช้งานไหมครับเราก็ใช้มันสิ ถ้าใช้งานมันแต่ว่าต้องรู้ทันมันหลวงพ่อครับฝังนิย่าถามอยา่างเล็ดนึงนะครับคือการเพ่งนี่มันจะหายไปเมืม่อไหร่ถึงจะเลิกเพ่งอ่ะคนเราคือถ้ายังยินดีพอใจที่จะเพ่งนะยิ่งแก่ยิ่งเพ่งเก่งทีแรกก็ต้องเพ่งแบบออกแรงเพง่งไม่ค่อยมีความสุขต่อไปชนานนะํานาญนะใจมันก็ไปนิ่งๆค้างๆไว้เลยไม่ต้องเพง่งอ่ะมันติดเองเพราะฉะนั้นติดติดความนิ่งหมดแล้ว มันจะเลิกเพ่งเพราะว่าเห็นทุกเห็นโทษใชห่หรือว่าหรือว่าหรือเพราะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้จริงๆแล <c oughs> ้วคือถ้าเห็นทุกเห็นโทษก็ใช้ได้นะเห็นทุกเห็นโทษแล้วใจจะไม่อยากเพ่งแต่ว่าพอไม่อยากเพ่งก็จะหาทางดิ้นรนแก้ไขแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าบางังคับไม่ได้ะมันจะเลิกไปเองไม่ต้องแก้ไขเป็นอีกชั้นหนึ่งหรือว่าจะเห็นหรือว่าต้องเห็นความไม่มีจริงๆถึงจะเลิกเพ่งครับไม่ถึงขนาดนั้นนะ ที่จริงพอเผลอก็เลิกเพ่งแล้วจิรัติอย่าไปกังวลจากการเพ่งแต่เดิมเราคิดว่าการเพ่งเป็นการปฏิบัติยิ่งเพ่งยิ่งดีตอนนี้เรารู้แล้วว่าการเพ่งเป็นการสร้างสภาวะปรุมขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทำไมต้องปรุงอยากปฏิบัติถ้ารู้ทันความอยากนะก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้แต่ว่าพอไปเห็นมีเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยก็ดี มันจะทำให้ไม่เพลิดเพลินในการเพง่งแต่พอเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วถ้าสติปัญญาไม่พอก็จะดิ้นรนหนีมันทำยังไงจะไม่เพง่งคิดจะทำอีกละการเพ่งก็เป็นการทำอย่างหนึง่งจะเลิกเพ่งก็ทาอีกอย่างหนึง่งหาเรื่องทำจนได้ไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็นถ้ารู้อย่างที่มันเป็นก็เห็หนใจรักนะรู้ไปเรื่อยๆมันเลิกไปเอ หลวงพ่อคะปฏิบัติแล้วมันเห็นเจ้าฟ้าชั่วของตัวเองเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วมันก็หลวงพ่อบอกว่าให้หยุดแล้วให้ให้ดูเหตุผลว่า ม, มีเหตุผลหรือเปล่าแล้วค่อยทำต่อมันเผือทําเลยอ่ะคะหลวคุณไม่ได้อ่ะคะออใหม่ๆก็เป็นอย่างงั้นแหละหัดถือศีลห้าไว้ก่อนผู้ปฏิบัติอย่าทิ้งศีลห้านะศีลห้าจำเป็นเพราะศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องปิดกั้นการทําชั่วทางกายและวาจางเราแต่ทางใจเนี่ยเราจะไม่บังคับมัน ทางใจมันจะดีมันจะร้ายมันจะยังไงนะตามดูเปนลูกเดียวเลยแต่ทางกายทางวาจายอย่าให้มันล้นออกมาตั้งใจไหมแต่ถ้ามันพลาดพลาง้งทําผิดศีลไปแล้วกิเลสครอบงำรุนแรงด่าไปเรียบร้อยแล้วะใจเสียใจให้รู้ว่าเสียใจหัดรู้ไปด้วยการที่เราหัดรู้ไปด้วยต่อไปกิเลสจะครอบงําจิตได้น้อยลงน้ยลงศีลของเราก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราตามรู้ไปเรื่อยใช่ไหมคะว่าเรามีสติหรือเปล่ามีศีลหรือเปล่ า, าใช่ไหมคะไม่ศีล น, นันมาเองอะแต่ว่า เบื้องต้นน่ะตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนเบื้องต้นตั้งใจงดเว้นต่อไปมันจะเป็นสีน า, านมธรรมิอย่างพอคนนี้มาพูดด้วยเราเราจะตอบแล้วเราโกรธเราเห็นความโกรธเนี่ยความโกรธครอบงาําจิตไม่ได้ไม่ตอบหรอกเราเห็นว่าคนนี้มาพูดไม่ดีกับเราเราอยากดา่าเราสติรู้ทันว่าอยากดา่าแล้วความอยากครอบงาําจิตไม่ได้มันก็ไม่ด่าเพราะฉะนั้นะต่อไปถ้ามีสตินะก็มีศีนแล้วมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญา มีสติก็ละชั่วมีสติก็ทำดีมีสติจิตก็แของแกว่งนั้นมีสติตัวเดียวนี้แหละสำคัญฝึกนะฝึกให้มีสติได้ได้ท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางเดียวการร้องพอ่อเยอะค่ะเพิ่งมาการร้องพอ่อเป็นครั้งแรกอยากจะเรียนถามว่าที่โยมปฏิบัติคืองานมันก็เยอะนะคะปฏิบัติอย่างที่เงี้ยสองสมปีมาเนี่ยมาถูกทางไหมคะปฏิบัติอะไรอ่ะปฏิบัติงานค่ะ ก็ทั้งทั้งหมดทั้งตัวบงคะคือก็อยากจะปฏิบัติทำให้ดีที่สุดแต่ว่าพียังมีงานที่ต้องทำงานทั้งโลกมังคะแต่ว่าจะทำไปแบบอย่างนี้คือหมายถึงว่าไม่ต้องมานั่งหลับตาทั้งวันตั้งคืนหรือใจฟูงไปแล้วใจฟ้งไปแล้วรู้สึกไหมค่ะเออใจเราอินไปแล้วใจเราฟูงไปแล้วให้เรารู้ทัน ต้องเป็นอย่างงั้นใช่ไหมคะแต่นี้อย่างถ้าสมมุติว่าเราทํางานอยู่เนี่ยเราไม่ยัดละงานจะว่าติดกับงานก็ได้บ้งคะได้หรือยังไงก็ตามเนี่ยค่ะตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติไปแบบเนี้ยคือทํางานเหมือนเหมือนปฏิบัติธรรมอะค่ะถ้าทําแบบอย่างนี้นี่พอจะไปได้ไหมคะเวลาที่เราทํางานเนี่ยงานมีสองงานงานที่ใช้แรงกายเนี่ยนะอย่างหนึ่งงานที่ใช้ความคิดเนี่ยอย่างหนึ่ง ถ้าทำงานที่ใช้กําลังร่างกายเช่นกวาดบ้านกวาดบ้านอยู่เราเห็นร่างกายกําลังกวาดบ้านร่างกายที่กวาดบ้านนี้ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เป็นการเจริญปัญญารูกายเรากวาดบ้านอยู่เห็นบ้านสกครกคนอื่นมาทําสกครกเราทําความสะอาดอยู่คนเดียวเราชักโมโหแล้วโมโหรู้ว่าโมโหเพราะงั้นถ้าเราไปทำงานที่ใช้ร่างกายเนี่ยนะเราดูได้ตลอดเวลาเลยดูกายดูใจไปได้เลยแต่ถ้าเราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยดูกายดูใจไม่ได้ ในขณะที่ทํางานที่คิดเราต้องไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดจะรู้กายรู้ใจไม่ได้นี้พอเราทํางานไปช่วงหนึ่งแล้วชักจะโมโหล้วสมมติว่าเราจะรีบทํางานแนละ้วโทรศัพท์มาเรื่อยๆนะชักหงุดหงิดได้ยินโทรศัพท์ต้องหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยเวลาเราภาวนาในชีวิตประจำวันแล้วตอนทํางานเราทําได้แค่นี้แหละคือตั้งใจทํางานไปแล้วพอกิเลสแทรกเข้ามาเราก็ค่อยมีสติรู้เอา ถ้าเราไม่รู้เลยนะคะไม่รู้ก็คือไม่ได้ปฏิบัติแค่แค่นั้นเองถ้าถ้าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นไม่ได้ทำความเพียร น, นะแต่แล้วทำงานนี้มันจบที่เราจาเป็นต้องทำนี่อันั้นทำไปอย่างชาวโลกทำหน้าที่ของชาวโลกไม่ใช่ธรรมะนะเราชอบไปฟังคำขวัญแบบว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่นนั้นไม่ใช่หน้าที่พลเมืองนะไม่ใช่ไปเลือกตั้งก็เป็นธรรมะ หน้าที่ของเราอะหน้าที่รู้กายหน้าที่รู้ใจนี้ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทํานั้นเรารู้ว่ามันดีแหละค่ะเราเป็นหมอค่ะเพราะฉะนั้นก็จะรักษาก็หายบางทีก็มัวแต่อ่านหนังสือไม่ได้บะไม่ได้บ่านธรรมะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านธรรมะรู้สึกไหมคุณหมอเห็นคนไข้แต่ละคนเนี่ยชอบและชังไม่เท่ากันที่หลังๆนี่ไม่หรอชักนิ่งแล้วก็พยายามจะให้เขาให้เขาไม่ตายนะคะอ๋อ ถ้าเขาตายแล้วเสียใจไหมถ้าทําดีที่สุดแล้วไม่เสียใจอ่าคุณหมอรู้สึกไหมเวลาเรารักษาคนไข้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกแทรกซ้อนขึ้นมาได้ะสมมติเราสั่งให้พยาบาลทําอย่างนี้เไปทํ า, อ ย, าอย่างอื่นเราก็โมโหแล้วอันนี้มีบ้างอันนี้ให้คอยดูเย่างนี้มี <อา S 1> คลินิกไหมไม่ได้มีอ่าไม่ไม่งั้นไม่ได้เห็นภาพที่ดีกันห <c oughs> ลวงพ่อยกตัวอย่างให้หมอที่มีคลินิกฟังว่าเวลาตอนเช้าขับรถเข้าโรงพยาบาลเห็นคนไข้ล้นมาถึงประตูรั้วรู้สึกยังไง ตอนเย็นขับรถไปคลินิกเห็นคนไข้ล้นออกมาหน้าคลินิกรู้สึกยังไง ร, รู้สึกไม่เหมือนกันนะะตอนเช้าเห็นคนไข้เยอะเกินไปตอนเย็นคนไข้ยเยอะนแค่นี้ก็ปฏิบลลัติละเราต้องมานั่งรู้ตัวรู้อย่างนี้ทั้งหมดไม่ไม่ใช่นั่งรู้ตัวคอยตามรู้ความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาเรื่อยๆนะ ตามรู้มันแปลกเรื่อยๆความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจก็คอยรู้เอาอย่า ง, งคนไข้บางคนจู้จี้เคยเจอไหมเยอะค่ะเยอะจู้จี้บอกให้ทําอย่างนี้เถียงจะไปทําอย่า ง, งนั้นบอกให้กินยานี้ฉันจะกินยาหม้อหรือจะไปลดน้นําันอะไรอย่างเงี้ยเราฟังฟังบางทีเราก็ลาคาญใช่ไหมตอนที่เราลาคาญนะเรารู้ว่าลาคาญนี่เรียกว่าปฏิบัติแล้วแต่ก็สอนเขาไปเรียบร้อยแล้วถึงจะรู้ค่ะไม่เป็นไรรู้ทีหลังก็ยังดีกว่าไม่รู้เลย ใช่ค่ะกับก็คืนใจครับกับก็พยายามตามดูเจตอยู่บังครับมันนิ่งเกินไปนะดูออกไหมใช้ได้แล้วที่สุดอยู่ครับจอยคือช่วงนี้มันจอยรู้สึกไหมตอนเริ่มพูดเนี่ยสวมมิญญาณนักประชาสัมพันธ์เข้าไปดะดวกไหมวางมากเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีดูอกไหมตอนนี้จอยตัวปลอบนะ ทางวาแไปก็ช่วงที่ผ่านมากําลังมันตกค่ะก็เลยแบบมันมีแต่ฟุ้งซ่านแล้วก็ซึมแล้วก็ฟุ้งซ่านก็วีนๆอย่างนี้ยค่ะฟุ้งซ่านไม่เป็นไรซึมไม่เป็นไรกลัวจะฟุ้งซ่านแล้วไปกดไว้เนี่ยไม่ดีกลัวจะซึมแล้วพยายามจะ alert อ, อยู่ไม่ดีให้รู้สภาวะาเทั้งหลายตามที่เขาเป็นแล้วก็บางทีมันจะเป็นแบบดิ้นดินอยู่ข้างในแรงแรงด้วยอให้ดูมไปมันดิ้นของมันเองไม่ใช่เราดิ้นอย่าไปช่วยมันดิ้น ใจดูรู้สึกไห้หมูนี้ไม่มีความสุขใช่ค่ะเนี่ยปีใหม่เอาความสุขไปส่งให้คนอื่นหมดแล้วมกกรดกครับหมูพ่อครับทีแรกนึกว่าไม่ถึงพอมาไปถึงจริงตื่นเต้นเหมือนกันครับครับก็ตะกี้ระหว่างฟังคนอื่นอยู่ก็จิตใจก็เริ่มปั่นปั่นกันบ้านนะครับก็รู้ทันว่าปั่นกันบ้านเดีย๋ยวจะส่งให้โนนให้นี่แต่พอมาถึงฟุ้งแล้วฟุงแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับใช้ได้ะ ฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านใช้ได้แล้วมันง่ายการนมัสการหลวงพ่อครับก็ที่ผ่านมาตอนอยู่ที่บ้านนี่ก็รู้สึกว่าว่าค่อนข้า ง, งฟุ้งซ่านแล้วก็โทสะค่อนข้างเยอะค่อนข้างจมบลงกับโทสะแต่ว่ามามาวัดนี่รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ดีกว่าที่บ้านอ่ะดีคนระับก็ามาวัดบ่อยๆเนาะใช้ได้รู้สึกเยอะๆการนมัสการหลวงพ่อครับเอ่า ผมเพิ่งมาครั้งแรกฮะที่ผ่านมาก็ได้แต่ฟังซีดีของหลวงพ่อเป็นประจำก็พยายามทำความเข้าใจและศึกษาให้หลวงพ่อถามดีกว่าอย่าถามหลวงพ่อเลยเห็นกิเลสไหมวันวันนึงเยอะเยอะมากครับเยียอย่างนี้ต้องตบมือให้เนี้ <laughs> ยหลวงพ่อมีหน้ามาเยอะชััดเลย <laughs> แ, ต แ, ตแต่ที่อยากจะถามก็คือว่าสภาพ สภาพจิตใจสภาวะจิตใจเราเนี่ยเราพร้อมที่จะปฏิบัติต่อไปได้นะครับได้สิถ้าไม่บ้าเนี่ยทําได้ <c oughs> เนี่ยเพราะงั้นจิตใจของคุณร่างกายของคุณเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วใช้ประโยชน์จากความสมบูรณ์ทางกายทางใจเราเนี่ยมาพัฒนาตัวเองนะสิเท่าเท่าที่รู้สึกเวลาดูความรู้สึกเนี่ยบางทีเราเรารู้สึกว่าเราใจเรากดๆหนักๆเนี่ย อ, อยากจะถามว่า อันนั้นคือเป็นสภาวะที่เราเป็นทุกข์ใช่ไหมครับไม่ใช่อันนั้นเราบังคับตัวเองนะพอเราบังคับตัวเองก็เลยเครียดขึ้นมาหนักๆนะยังไม่ไม่ถือว่ารู้ทุกข์หรอกที่ที่มันเครียดหนักๆขึ้นมามาเกิดจากเราต้องรับพิบากิหรือเปล่ า, าครับใช่เราอไปบังคับตัวเองก็อย่างเราเห็นว่าจิตใจมีอคุิผลเราไม่ชอบเราเลยไปกดมันพอไปกดมันนะมีกิเลสใช่ไหมคือโทสะไม่ชอบมันเกิดการกระทํากรรมคือการกด ก็ต้องรับวิบากก็ต้องเล่นแล้วแล้วการรับวิบากนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรับใช่ไหมครับต้องรับหลีก่แล้วก็รู้ไปว่าอรับวิบากเนี่ยมันหมดกําลังของอกุศลหมดกําลังของกรรมนั้นวิบากก็หายไปครับะคบต้องชอดใช้ต้องชอดใช้คเป็นนี้่ขอบคุณมากครับหลวงพ่อกรรมนิพพานหลงพ่อค่ะเมื่อกี้เห็นความตื่นเต้นแล้วก็เห็นว่ามัน เกิดมาแล้วมันก็เริ่มค่อยๆหายไปเองอะค่ะแล้วก็รู้สึกไหมใจเลื่อนลอยนะค่ะอใจเราค่อยๆลอยรู้สึกว่าคิดคิดแล้วพยายามเลื่อนลอยอคิดแล้วแกล้งเลื่อนลอยด้วยนะแกล้มคิดให้มันเคลิ้มอย่างเงี้ยแน่วแน่อย่าไปแกล้มมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราใช่มันตัวปลอมค่ะอันนี้แล้วดูว่าที่ผ่านมาที่ปฏิบัติที่ผ่านมาที่ที่แล้วจะเห็นว่ามันเกิดแต่ว่าโทสะเกิดขึ้นแล้วก็พยายาม เห็นว่าอยากให้มันหยุดหยุดก็เลยการเข้าบางทีก็เข้าไปแทรกแทงมันมรู้ว่าตัวเองไม่เป็นกลางนะค่ะ<ม>ก็พยายามอยากให้โทสานั้นมันหายไปค่ะคุณพ่อให้รู้ทันไปค่ ะ, ะกิเลสเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อเอาไว้ละกิเลสอยู่ในสังขารขันหนะ้าที่ของเราต่อขันนะคือการรู้ไม่ใช่การลักมืกิเลสเกิดขึ้นก็รู้ไปแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีเหตุมันก็เกิดโมดเทตวมันก็ดับบังคับไม่ได้ดูไปอย่างนี้ ค่ะเห็นความดับมาแล้วก็เห็นพันธีความอยากว่าพยายามหาเหตุผล ứng, ที่ ứng, จะเข้ามา ứng, <ไ>ให้ให้กิเลสนั้นมันดับไป ứng, ค่ะเราไมห่หาแล้วนะอะแต่ส่งไปเหได้อีกคนหนึง่งอ่ะคนนี้แหละที่จะจับไม่เอาว่าไปเลยครับก็มาหลายครั้งแล้วครับแต่ไม่เคยส่งกับบ้านเลยนี่ไงูปภาพ่แกล้งอ่ะว่าไปก็มันรู้สึกตื้อๆครับมับน มันรู้สึกไม่ไม่ถึงฐานอะไรนะมันรู้สึกไม่ถึงฐานนะครับไม่ใช่ไปกดมันไว้ตอนนี้คือกดมันไวนอ่าไปกดมันไวใช่ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมใจหนีวิคิดนะครอบเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมครัขอ ค, คุณค่อยๆฝึกไปนะคุณจะตื่นอยู่แล้วใช้ได้แล้วครับเอาไปแค่คนี้วันนี้เชิญกลับบ้านไปทางใครทางมัน